คับท่านฟังคะสําหรับตอนนี้เรามาถึงช่วงเวลาของถามโลกตอบธรรมกันแล้วนะคะดิฉันเองได้เกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้จากที่ได้ไปอ่านคอลัมน์คับลูกคาบดอกของคุณมัดเหล็กความกลัวทําให้เสือ่อมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจึงเกิดความรู้สึกว่าอยากจะนําบทสรุปที่เขาเขียนถึงในที่นี้นะคะมาถามพระอาจารย์คริกริศว่าเอ๊มีคําตอบที่เป็นธรรมะจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่นะคะ ใครที่ไม่ได้อ่านที่ฉันจะทบทวนว่าที่มาที่ไปของบทความนี้เต็มๆเป็นอย่างไรคุณมัดเหล็กเขียนไว้ว่าสังคมบ้านเราเต็มไปด้วยความวิตกระวาดกลัวกลัวว่าจะไม่มีกินกลัวว่าจะตกงานกลัวว่าวิกฤตการเมืองจะลุกลามมีอีกร้อยแปที่ทําให้คนไทยในวันนี้เครียดสะสมเครียดมากๆเข้ากับคิดสั้นทําอะไรโดยไม่ยั้งคิดผมได้ยินว่ามีการสํารวจพบคนไทยเป็นโรคเครียดเพิ่มขึ้นและสังคมไทยก็จะเข้าสู่ภาวะ ที่ว่าจนเครียดกินเหล้าไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่แย่ลงสุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญที่สุดท้องหิวยังพอเอาน้ําลูบท้องประทังความหิวไปได้แต่จิตใจที่วุ่นวายบั่นทอนสุขภาพตลอดเวลาตามสถิติคนญี่ปุ่นค่าตัวตายกันมากเพราะสังคมค่อนข้างจะจริงจังมากเกินไปเวลาทํางานก็หัวปากหัวปั๊มสังคมจึงดูแห้งแล้งชอบกลนไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวพอได้อ่านบทความของนายแพทย์วิทานฐานะวุฒิชื่อเรากําลังกลัวอะไร บางทีน่าจะมีทางออกสําหรับสังคมที่กําลังวุ่นวายในตอนนี้ซึ่งท่านอธิบายไว้ว่าความกลัวนั้นเป็นด้านที่มืดที่ลึกที่สุดของมนุษย์ถ้ามองในแง่ของสมองของคนเราที่มีอยู่3ามชั้นความกลัวเการทํางานของสมองชั้นต้นเทียบกับสมองสัตว์เลื้อยคลานมีอยู่เพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดเดิมมนุษย์ถูกออกแบบมาให้กลัวเพียงสองอย่างเท่านั้นคือกลัวความสูงและเสียงดังแต่ปัญหาของมนุษย์ในปัจจุบันเรากําลังเกิดกลัวความเทียม ด้วยสภาพสังคมที่เร่งรัดบีบรัดการแข่งขันและความเป็นไปต่างๆทําให้เกิดความกลัวเทียมโดยไม่จําเป็นในที่สุดหนักเข้าความกลัวเทียมเหล่านี้ก็จะแปรรูปเป็นด้านมืดเช่นความโกรธความวิตกกังวลความหวาดระแวงเป็นต้นคุณหมอยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันหนึ่งมีคนมาจอดรถยนต์ขวางหน้าบ้านทําให้เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ทําให้รู้สึกโกรธขึ้นมาตังห์อยากจะตะบันหน้าคนจึงต้องเอามาทบทวนตั้งคําถามกับตัวเองว่า เรากําลังกลัวอะไรเพราะเรากลัวว่ารถยนต์เราจะออกไม่ได้ถ้าใจเย็นนิดก็คิดต่อไปอีกว่าเราจะออกไปไหนหรือยังถ้ายังจะไปกลัวอะไรความโกรธก็จะค่อยๆหายไปวิธีแก้คือต้องมาตั้งคําถามกับตัวเองก่อนว่าเรากําลังกลัวอะไรจากนั้นจะต้องมองเห็นถึงความเสียหายมากที่สุดและถ้าสามารถผ่านพ้นความกลัวตรงนั้นไปได้อารมณ์และความคิดด้านลบทั้งหลายก็จะพลอยหายไปด้วย ผมคือคุณหมัดเหล็กนะคะบอกว่าข้อเขียนคนหายแพทย์พิธานชิ้นนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะกับสังคมไทยในปัจจุบันกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นกลัวในสิ่งที่ถูกปลุกระดมไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวว่าจะถูกด่า ถ, ถูกโจมตีถูกขุดคุยอเรื่องส่วนตัวไปประจานกลัวว่าจะมีคนมาแข่งบา ร, รมีหรือกลัวว่าจะมีคนมาช่วงชิงสิ่งที่ครอบครองอยู่ไปความกลัวก็เลยเปลี่ยนเป็นความโกรธและความโกรธก็เปลี่ยนเป็นความอาฆาตตามล้างตามเช็ด จนกว่าจะตายหรือติดคุกอันนี้คือบทความทั้งหมดค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็คงต้องน้มัสการนท่านอาจารย์ให้ความเห็นเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอวิทานท่านก็พูดถึงทางออกว่าให้เผชิญหน้ากับความกลัวใช่ไหมคะถ้าโดยบทสรุปแล้วก็ให้ใช้สติคิดให้มันกว้างให้มันไกลไปอีกว่ามันสมควรกลัวหรือไม่นะคะแล้วก็จะทําให้เรามีสติรู้ทันแล้วก็ไม่กลัวไปในที่สุด ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราล่ะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรค่ะก็อย่างเท่าที่ฟังเนี่ยนันก็แสดงว่ า, าคนเราส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้ประพฤติปฏิบัติถ้าคนเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามแนวทางที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ย เ, เราก็จะอยู่กับความเป็นปัจจุบันให้มากการที่เรากลัวเนี่ยคือ จิตมันคิดปรุงแต่งไปมันนึกไปถึงอดีตบ้างมันปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างนะในเรื่องที่เราวิตกกังวลนะในเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่พอใจอิจฉาละอาจใจอย่างเนี้ยนะทั้งๆ ท, ที่บางทีเนี่ยเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นหรือว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นอาจจะไม่แย่อย่างที่เรากำลังคิดปรุงแต่งออกไป เพราะฉ น, นั้นโดยหลักเนี่ยผู้เจ้าจึงให้เราเนี่ยพยายามอยู่กับปัจจุบันนะให้มากที่สุด <c oughs> แก้ปัญหาที่ปัจจุบันอนาคตที่ยังไม่เกิดเนี่ยผู้เจ้าบอกมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเงื่อนไขในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างนี่มันเป็นอนิจจ <c oughs> นะ์แต่เราต้องอเราต้องหมั่นสังเกตสัจธรรมความจริงตรงนี้ ถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเราสังเกตจิตของเราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างบ่อยๆเนี่ยจิตของเราจะมั่นคงในความเป็นอนิจจงนะแล้วเราก็จะไม่วิตกกังวลเกินไปนะอะไรที่เราคิดว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะ่นะมันอาจจะดีก็ได้แต่เราวิตกไปเองนะเพราะนั้นวิธีแก้ง่ายๆก็อยู่กับปัจจุบันเขาไว้การอยู่กับปัจจุบันทํำยังไงพระเจ้าก็บอกให้อยู่กับลมหายใจ <Okay. S 2> เข้าออกอย่างนี้นะถ้าเราอาศัยลมเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของเราหรือว่าถ้าเราทำงานอยู่พระเจ้าก็ให้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันที่ท่านเรียกจิตอธิฐานการงานหรือถ้าเราอ่ากลังเดินอยู่กําลังเคลื่อนไหวรีบดก็ให้เรารู้การเคลื่อนไหวรีบด น, น, นั้นนะั้นปัจจุบันทําปัจจุบันตรงนั้นให้ดีที่สุด มัวแต่คิดพวงข้างหน้าปัจจุบันทําอะไรนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยการกระทําในปัจจุบันมันก็บกคล่องแต่มันอย่างนี้ไงคะคือเหมือนกับว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่แต่เพียงลาพังเราอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารแล้วบางครั้งก็มีคนอื่นจุดประเด็นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการมองไปข้างหน้าว่าทิศทางของแต่ละเรื่องเนี่ยถ้ามันดําเนินไปตามที่ควรจะเป็น วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้วันมะรืนนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะเคยคุยกันผ่านมาแล้วก็คือเรื่องของการไปหาพวกนักพยากรณ์ทั้งหลายใช่ไหมคะที่จะบอกล่วงหน้าว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรไม่ดีอย่างนี้คนเราก็จะเกิดการวิตกกังวลก็จึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเท่ากับ ถ้าจะใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า uh huh. ก็คือหลักตัวเองนี่ต้องดีจริงๆใช่ไหมคะใช่หลักตัวเองต้องดีต้องมั่นคงเรียกว่าไม่หวนไหวยในคำสอนที่พระเจ้าท่านสอนเอาไว้นั่นแหละเท่ากับเราต้องบอกตัวเองอย่างนี้ไหมคะว่าเราอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> แล้วสำหรับ uh huh. วันพรุ่งนี้หรือนาทีต่อไป uh huh. มันอาจจะเกิดอย่างนั้นที่เรากลัวอยู่ก็ได้ใช่เราก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยคือ <c oughs> คืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ทําเดี๋ยวนี้ให้ดีที่สุดนั้นะค่ะแล้วมันจะช่วยให้ช่วยให้เราไม่ไม่ทุกไปในอนาคตไม่ทุกลงหน้าไม่ทุกล่วงหน้าไม่ทุกไปก่อนถ้าทุกก็ทุกเพราะว่าปัจจุบันนั้นมันทุกจริงๆริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยที่ยังไม่ไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดแล้วเราเอามาทุกลงหน้ามันก็จะทําให้ปัจจุบันอย่าทุกแล้ว คือเหมือนกับว่าแทนที่จะทุกในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เกิดมาวันนี้แล้วทุกแถมทั้งทั้งที่ไม่ควรจะทุกจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะว่าเคยมีคนรู้จักหลายคนนะคะบางท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ชีวิตก็มีความสุขทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ทำให้ท่านไม่มีความสุขก็คือการกังวลการเป็นห่วงห่วงในสิ่งที่ยัง มาไม่ถึงเนี่ย<อ>ค่ะถ้าเป็นมานานๆแล้วจะแก้อย่างไงล่ะคะนี่แหละนี่แหละเราเราต้องใช้ความเพียรของเราเนี่ยฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆคนเราเนี่ยกังวลทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตบางคนก็กังวลเรื่องอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วยาวนานก็กังวลเอาเก็บมาคิดอยู่นั่นนะ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหก็มีทั้งกังวลอดีตและกังวลอน า, นาคตพระเจ้าถึงบอกให้อยู่กับปัจจุบัน อดีตมันล่วงไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ใ, ให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดงั้นนี่เท่ากับว่าท่านกําลังตอบคําถามของนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะที่เขียนมาถามบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นอะ่ะเพราะอะไรมีความทุกข์อยู่แต่สิ่งที่มันผ่านมาแล้วคิดกังวลตลอดเวลาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ใช้คําตอบเดียวกันเลยนะคะใช้คําตอบเดียวกันได้ก็คือพยายามอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปกังวลกับอดีตอย่าไปกังวลกับอนาคตมากสร้างเหตุณนะปัจจุบันให้ดีที่สุดเราทำนะํำณวันนี้ให้ดีที่สุดนะข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยให้เราเชื่อหลักของกรรมการกระทํานะเพนั้นถ้าทุกคนในประเทศทําดีทุกคนในสังคมทําดีข้างหน้าดีเองอนาคตดีเองทุกคนมีความสมัครสมานสามาัคคีณนะปัจจุบันข้างหน้าก็ไม่มีความแตแกแยกของสังคมอย่างนี้แต่บางทีคนเราก็จะเกี่ยงกันคะ่ะร อ, หอให้คนอื่นดีก่อน เราเราถึงจะดีอย่างนี้มันก็เป็นอันอันอันนั้นไม่ได้หรอกถ้าถ้าถ้ามัวแต่ไปรอคนอื่นเราเราต้องเริ่มทําจากตัวเราเองเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปรอคนอื่นเพราะถ้าทุกคนในสังคมรอกันหมดก็ไม่มีใครได้ทําคือต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองตัวเราเองแก้ปัญหาที่ตัวเราเแก้ปัญหาตัวเองเราไม่ต้องแก้คนอื่นต่างคนต่างแก้ของตัวเองใช่เราก็แก้ของตัวเราเอง แต่ละคนแต่ละคนก็แก้ของตัวเองนะสังคมก็สงบนะหลักสําคัญก็คือมีธรรมะแต่ละคนมีธรรมะเท่านั้นเองนะเชื่อพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญู <Okay. S 2> เป็นผู้รู้ทุกเรื่องนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาด้วยพรหมด้วยมนุษย์ด้วยเก่งที่สุดที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดแล้วทําไมเราไม่เอาภูมิปัญญาของผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดหมดกิเลสแล้วเนี่ยเอามาใช้เป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิตของเราและสังคม <Okay. S 2> นะ อ่าสังคมมันจะได้เจริญนะมีความสมัครสมรสมั่คีมันจะได้ลาบลื่นอย่างนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> วิธีที่ดีที่สุดของพระพูเทธเจ้า ถ้าจะทำ ง, ง่ายเนี่ยก็กล่าวโดยสรุปว่าวิธีการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็ด้วยการอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจทําสินให้ดีสินเอาแค่ไหนสินห้าพอเป็นพื้นใช่ไหมฝึกอยู่กับลมไว้ขณะอยู่กับลมก็เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนาขณะจิตอยู่กับลมก็เป็นสมถะขณะที่เราเห็นการที่จิตเคลื่อนไปออกไปคิดอดีตอนาคตแล้วเราดึงกลับมาได้มีสติดึงกลับมาเราก็เห็นการเกิดการดับเห็นความไม่เที่ยงของจิต เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาคือเป็นปัญญาเห็นอริยสัจความจริงว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งภายนอกภายในใจเราก็ตามเนี่ยล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นตัวตนชั่วคราวนะเราก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานจากสิ่งสิ่งนั้นได้เราก็จะไม่ยึดถือสิ่งสิ่งนั้นมากเกินไปไม่ยึดถือความคิดเรามากเกินไปที่จะคอยปรุงแต่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้พิจบทไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเนี้ยเมื่ออวววตกกไปแล้เเเราา็็จะหน่อ มันคิดไปมันไม่แน่หรอกนะมันคิดไปอีกก็เออช่างมันมันเป็นเช่นนั้นเองแหละจิตนะมันไม่แน่หรอกนะอย่างนี้สอนมันเรื่อยๆสอนมันเรื่อยๆนะเราก็จะจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของเราพอมันหยุดคิดเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันทําแค่นี้มีความสุขแล้วค่ะนะมันก็ต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดมาแล้วอ่า ก็ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ใช่แก้ไไม่ไคะเราเอามาเป็นบทเรียนมามาทําให้ปัจจุบันและอนาคตมันดีขึ้นดีกว่าด้วยการทําปัจจุบันให้ดีอย่างนี้ถ้าพูดในแง่เรื่องเรื่องกรรมอย่างเดียวเลยนะคะสมมุติว่าคนที่มีความทุกข์จากอดีตถึงขนาดต้องเขียนคําถามมาถามเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรที่มีความเชื่อโดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดไม่ดีหรือเปล่าถึงได้ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ผ่านไปในอดีตใช่ไหมคะทีนี้ ในการที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ย อ, อ, อยากจะน้รสการเรียนท่านว่าจะช่วยทำให้สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นบาปนะฮะจะช่วยทำให้ผ่อนคลายลงได้ไมั้ยคะสาหรับสิ่งที่ทำผ่านมาแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ อ, อ, อ, อ, อย่างนั้ น, ผ, นผ่อนคลายได้สิ ส, ส, สามารถทาได้ดูตัวอย่างง่ายๆอย่างองคุลิมานเนี่ยะนะก็มีเป็นมิจฉาทิฏฐิในในในขั้นต้นเนี่ยแล้วก็ ได้สร้างบาปกรรมมาอย่างมากมายน ะ, <ค>ะแต่เมื่อมาเข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็พยายามปรับปรุงตัวแก้ไขณ<ช>ปัจจุบันนั้นทําปัจจุบันให้ดีนะพยายามทําความเข้าใจกับหลักธรรมชาติจนกระทั่งเห็นความจริงของธรรมชาติถอนอุปทานความยึดมั่ น, นจากรูปนามกายจิตได้นะอารมณ์ต่างๆได้นะก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์บกุคล น, นะก็ไม่ต้องมารับกรรม ต่างๆอีกต่อไปสามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีกรรมไม่ต้องรับกรรมอย่างเงี้ยซึ่งพระเจ้าเนี่ยสอนวิธีที่จะพ้นจากกรรมเลยเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะไม่ต้องมาวนเวียนรับกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าบอกแก้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องก็แก้ได้ตามเหตุปัจจัยที่ตนเองได้กระทํำสําหรับคนที่ไม่รู้จักความบาปขององค์คุลีมาน ก็คงจะต้องบอกว่าท่านฆ่าคนมาเยอะใช่ไหมคะถึงขนาดถ้าจําได้เคยดูหนังตัดนิ้วของคนที่ไปฆ่าเข้ามาเนี่ยคนละนิ้วคนละนิ้วรอบคอได้เลยก็ยังสามารถที่ทําปัจจุบันให้ดีเพื่อทําให้หลุดพ้นจากกรรมเหล่านั้นได้ใช่ในะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต ถ้าจะกล่าวอย่างนั้นได้เลยไหมคะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าใ ช, ใช่คือคือเราเราไม่มีอย่างความเชื่อของของลัทธิอื่นว่าเลวถาวรดีถาวรอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนเลวก็พัฒนาให้ดีได้นะคนดีอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้มันมันเป็นความเป็นอนิจจงอย่างนี้คำว่าดีถาวร น, นี่ฟังแล้วดีนะคะแต่เลวถาวร น, นี่ฟัง ม, <c oughs> มันมมันแปลว่าถ้าในความเชื่อของพุทธเจ้าแสดงว่า คนที่ผิดพลาดไปแล้วตามหลักของศาสนาพุทธ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ต้องส่งให้อภัยได้ตลอดเวลา<ก>ถูกไมหมก็ให้อภยัยก็ดูขนาดพระเทวทัตเนี่ยคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้ากี่รอบถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไล่สึกพระเทวทัตออกไปจากธรรมวินัยนี้ไหมไม่ได้ไล่ศึกอันนี้เป็นประเด็นที่แปลกโอ้พระเจ้านี่มีเมตตามากให้อภยัย ใ, ให้อภัยตลอดใช่ไหมอ่าแล้วมองว่าอาจจะมีโอกาสเขาอาจจะมีโอกาสน ะ, ะจนกระทั่ง เขาเนี่ยหมดโอกาสเขาเองด้วยการกระทําของเขาเองปิดโอกาสตัวเองปิดโอกาสตัวเองใช่ใด้วยการทําอะไรนะคะที่เป็นบาปหนักที่สุดปิดโอกาสก็คือการที่เขาเนี่ยคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงหลายครั้งนะเท่ากับว่าตามหลักศาสนาพุทธนั้นคนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการให้อภัยและให้โอกาสใหม่อยู่เสมอใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวทําให้เสื่อมแล้วถ้าอาจารย์คึกริส ก็ได้นําเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าวิธีการแก้นั้นคือการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าทําปัจจุบันให้ดีแล้วอาจจะลบล้างกรรมที่ทําในอดีตที่ผ่านมาได้และถ้าทําวันนี้ให้ดีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยก็ย่อมเป็นวันที่ดีเพราะว่าเราทําวันนี้ซึ่งเหมือนจะกลายเป็นวันพรุ่งนี้นะให้ดีทุกวั น, นะ